ขอความเจริญในธรรมคุก ท, มมท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงบพุทยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาวายามะคือในข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสังวรปทานหรือเพียระวังบาปอกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ แต่ว่าในพระบาลีที่ทรงแสดงนั้นทรงใช้ับว่าให้บุคคลปลูกฝัง ค, ความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องในการป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เสื่อมสลายไปจึงถือว่าความเป็นบาปเป็นอกุศลตรงนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ว่าเราก็มองหินโทษว่าถ้าปล่อยเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นภัยเป็นอันตรายธรรมาเทศนาในแนวนี้ราจะพบว่าก็ทรงก็ได้แสดงไว้โดยนิยตต่างๆบางครั้งก็อาจจะพูดถึงตัวตนของบุคคลที่ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นเป็นอกุศลแล้วก็ประสบผลเป็นความรุ้ความเดือดร้อน ยอตัวอย่างเช่นพูดถึงคนที่ทุศีนคือละเมิดศีลมาเป็นตัวอย่างแล้วคนเหล่านั้นอาจจะประสบความทุกข์อยู่ในปัจจุบันก็ได้หรือว่าอาจจะตายไปแล้วเราอเงเกิดในทุ ก, กติก็ได้ก็เามาเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารสั่งสอนให้คนมองเห็นโทษของการละเมิดศีล แล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปละเมิดสินทีนี้ในกรณีตรงนี้ถ้าหากว่ า, า, าบางคราวคนก็อาจจะรักษาสีนอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าเป็นการประพฤติผิดสินที่ตัวเองรักษาแล้วก็ไปอยู่ในข้อที่สองคือหมายความว่าประหานประทาน เปลี่ยนพยาเปลี่ยนพยายามละบาปละกุศลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตสันดาลให้บรรเทาบาบางลงไปวลประยาแห่งธรรมะเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ในลักษณะต่างๆอย่าข้อที่น่าสังเกตว่าถ้าสังคมเราสามารถมองเห็นโทษของปัญหาต่างๆในโเมนี้ยมีข่าว การประชุมพระสงฆ์ทั่วจังหวัดในบางจังหวัดตะขอนิมนพระสงฆ์ให้ช่วยโดนรงป้องกันเอดแล้วก็ป้องกันยาบ้าอยู่บางแห่งเล่นแรงบางก่อนเขาไปที่พิศนุโลกพระท่นานเล่าฟังประานกระทรวงสาธารณสุขส่งแพทย์พยาบาลมาอบรม คือให้พระสงฆ์ได้ช่วยรณรงค์ป้องกันโรคเอดโดยวิธีการใช้ถุง ย, า ง, า, า, ย, งยางก็ไปแนะชาวบ้านวิธีใช้ถุงยางอันใหม่เวลานี้ทราบว่าก้างหน้าจนทำเป็นรูปอวัยวะเพศผู้ชายมาแล้วก็นางพยาบาลก็จัด ก, การทำให้พระดูกิดที่พระซึ่งไปฟังอบรมเนี่ยท่านเล่าว่า นำพยาบาลลงมือจะมาสวมตรงอย่างนำมาไวให้ประดูถ้าบอกบังเขินมากเลยเดี๋ยวต้องลุกขึ้นหนีพราบาลนี่เขาก็ทำตามธรรมดาของเขาแต่ไป ศ, ศึกษาทีนี้เขาลืมไปว่าพระเราเนี่ยเรื่องแางนี้พูดเขาก็ไม่พูดกันแม้แต่บางครั้งบางคราวไปอธิบายสินห้าพอมา ถ, ถึงสินข้อที่สามพระก็ดำน้ำหายเลย หรือไม่กล้าอธิบายมันกระดาบปากมันรู้สึกเขินแล้วก็ชาวบ้านก็ชจำนิชจำนาญอยู่แล้วในเรื่องเหล่านั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องอธิบายก็บอกเป็นโลเล่าไปขนะตอา น, นีนเาเน้เราจะเห็นว่าคือถ้าลงามองแล้วเนี่ยมันมันมีปัญหาว่าผลทสุดท้ายในพระนี่คือใครมีภาระหน้าที่อย่างไรสังคมเราก็ คสับสนคล้ายๆกับพระนั่งเป็นศาลาอเนกประสงค์คือใช้ได้ทุกงานมีอดีตเจ้าคณะจังหวัดทางภาคเหนือท่านพูดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติท่านบอกว่าพระแรงงานราคาถูกชาวบ้านก็ขอร้องให้พระช่วยทั้งนั้น แต่แมงคิกว่าพระนี่ต้องทําหน้าที่ของพระตำรวจทําหน้าที่ของตารวจทหารทําหน้าที่ของทหารแพทย์พยาบาลทําหน้าที่แพทย์พยาบาลทุกคนต้องทําหน้าที่ตัวเองมันไม่ใช่เอาพระมาทํางานแบบอเนกประสงค์เอาพระมารักษาโรคเอสดมารุนรณรุนระเอรณรงลงป้องกันโรคเอดหรือว่ามารักษาคนติดยาบ้าอย่างเงี้ยพระไม่ใช่หมอนี่นะรักษาโรคได้ยังไงคือคนเนี่ยบางทีก็ไม่เคยได้คิดอะไรมันรอบครอบ ถึงความเหมาะความควรคือเราสมมติว่ า, าพระไปทำเนี่ยก็ถูกวินิจฉัยเขาตัดิติเตียนเพราะว่าในแง่ของวิ น, นัยวก็ห้ามพระทำเบชกรรมเือ่ยวรักษาโรคเนี่ยมันผิดวินัยของพร ะ, ะทีนี้พระประธานได้ก็เอาขนาดไหนล่ะม่นก็คือสอนอธิบายเรื่องสีนห้าก็เช่นว่าปัญหาเรื่องโรคเอชเนี่ย โดยหลกักมัก็มาจากความสัมสอนในทางเพศพระอาจจะสอนเรื่องความเป็นนักเลงหญิงพระอาจจะสอนเรื่องการมีสมิชาจาร์พระอาจจะสอนเรื่องความสัมพันในทางเพศซึ่งตัวละอย่างนะมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาโรคเอช ด, ด้กันแต่ไม่ใช่ให้ไปภาพไปรุนรงุ์ไปสาธิตวิชัยวิธีใช้ถุย อ, อย่างนั้ะมันเกิดหน้าที่ของปราชญ์เ และกลารเป็นความไม่เหมาะไม่ควรคือพระที่จริงต้องอนุเคราะห์ต่อสังคมนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่กรอบประตุงไหนล่ะพระทำได้พระมีความสามารถที่จะทำได้และก็เหมาะควรแก่สถานภาพของความเป็นพระไม่ใช่ว่าขอให้พระช่วยไปเสีทุกสิ่งทุกอย่างกลอนก็ได้ข่าวทางวิทยุกรือทางพระอิสานในการประชุมพระทั้งจังหวัด เปิขอพระรณรงค์ป้องกันโรคเอดคือโรคเอดเนี่ยอธิบายสีลข้อที่สามนี่ได้แต่ตะขนาดไปสาธิตวิธีใช้ทุ่ยางเนี่ยมันมากไปมันไม่ใช่อำนาจ้าชีของพระที่จะไปประพฤติไปกระทําอย่างนั้นทีนี้นอย่างยาบ้าก็เเมือนกันเนี่ยพระก็ไปสอนอธิบายโทษของสิ่งเสพติด โทษของการละเมิดศีลข้อสุราอาจจะเล่าเป็นนิทานอาจจะยกตัวอย่างบุคคลขึ้นมาอาจจะยกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามันมีข่าวต่างๆเนี่ยปรากฏอยู่ทุกวันก็ไปเอาไปเป็นอุปกรณ์ในการแนะนำสั่งสอนแกโยชนได้แต่เราอยลืมวา่งานตัวนี้ภาคสนามแล้วไม่จะทำได้ง่าย เราจะไปรู้ว่าใครติดจะ บ, บ้าหรือไม่ติดเราจะรวมเด็กนั้นได้ยังไงแล้วใครเป็นรวมให้ทีนี้เมื่อชาวบ้านเขารวมได้แล้วทําไมไม่ทําเองเดี๋ยวแพทย์พยาบาลเนี่ยมันมีความสามารถมากไปเยอะในเรื่องแบบเนี้ยก็รวมแนะนําสั่งสอนที่แจงอธิบายด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยเจ้าหน้าที่อะไรละปปสอะไรแต่อะไรไนี่เดี๋ยวก็มีความชานาญในเรื่องเหล่านี้อยู่อะ ทั้งปัญหาตรงนี้มันก็อยู่ที่การมองเห็นโทษมองเห็นโทษ บ, บางอย่างเขาป้องกันมองเห็นโทษบางอย่างแล้วก็ลดละ่อย่างยกตัวอย่างเนี่ยทรงประรบเรื่องพระสุธรรมเทระเป็นเจ้าวาดในสมัยพุทธกาลแต่เกิดริษาปรสาริบุตรพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยพระสงฆ์จนถึงเวลากระทบทานจิตะ เรอบดีซึ่งเป็นอุบาสกระดับปนาคามีแล้วมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าถูกท่านจิตตะเรือบดีตําหนิเอาพระเจ้าก็รับสั่งให้ท่านนั่นแหละไปขอกมาโทษจิตตะเรือบดีก็มีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรเดีในที่นั้นแหละทรงแสดงลักษณะของปิกสุที่เรียกว่าเป็นพาน ก็แสดงอาการออกมาเป็นหกลักษณะได้กันทั้งหมดก็ที่จริงก็เป็นอาการของโรคหลงแต่หมาความมาสมมติว่าเรายังไม่ได้เป็นคือพอเป็นธรรมะและไม่ได้เจาะจงพระหรอกนคนทั้งหมดนั่นแหละมันก็อยู่ในกฎตรงนี้ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างนั้นมีความปรารถนาก็เรียกว่าลามกนะฮะสานวิบาีอย่างนั้น ม่กว่ากลายเป็นคนที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยกันไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระเท่านั้นหรือเป็นชาวบ้านเท่านั้นธรร ม, มะนั้นจะมีความเป็นสากลไม่ได้เจาะจงบุคคลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคือสากลไม่ได้ถามว่าใครแต่ถามว่าทำอะไรใครทำไม่ต้องพูดนันมีความเป็นสากลของมันใครดื่มเหล้าแล้วเมาเนี่ย กอไม่ต้องถามว่าใครดื่มแต่ถามว่าดื่มอะไรทุกคนก็ดื่มไปถึงจุดหนึ่งก็เมาด้วยกันทั้งนั้นถรมาก็จะมีลักษณะก็งเขาอย่างกั น, กนคือก็มีความเป็นส ก, กลถ้าผิดก็คือผิดส ก, กลถูกก็คือถูกส ก, กลในตรงเนี้ยที่จริงก็กินใจนะฮะอาตอมาตั้งแต่เรียนบาลีวรญกาณมาแล้วก็แปลธรรมบทมาพอเจอตรงนี้นะมัน มันซึ้งยังไงไม่รู้คือมีความรู้สึกว่าเราเองจะต้องพยายามหลีกเว้นไม่ยอมอยู่ในกุดในจุดตรงนี้ให้ได้แต่เป็นเรื่องต้องพยายามะนะฮะณความปเห็นแล้วรู้สึกรังเกียจรู้สึกรังเกียจที่จะเป็นอย่างนั้นด้รังเกียจคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นสรงแสดงไว้ว่าที่สุภาในปรารถนาการยกย่องอันไม่มีในตน คือการยกย่องบางอย่างจะไปโปรโมทไปยกย่องกันในที่บางอย่างเนี่ยมันทิ้งเวอร์เกิดเหตุไปเวลาไปบรรยายที่ใดในโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถานที่ราชการเนี่ยสรงแบบฟอร์ไม่กรอกประวัติมาเลยเนะให้กรอกประวัติความสามารถความชำนาญผลงานด้อะไรต่างๆมาก็บอกว่ามาไม่ได้มาสมัครงานกับคุณนะ คุณนิมนต์ในมาเทศคุณก็บอกอาตมาชื่ออะไรอยู่วัดไหนก็พอแล้วมันไม่จาเป็นจะต้องเอาประวัติไปแต่ว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้คือไม่ให้ไม่ได้มันต้องโปรโมทกันเป็นการใดบอกเรามาโปรโมทรมเราไม่ได้มาโปรโมทคนทิ้งที่เขายกยอเนี่ยบางทีมันก็เขินยกยอเกินไปยกยอต่อหน้าเนี่ยแต่มันเกินไปมันก็เขินเหมือนกัน พระก็มองเอาไว้ว่าถ้าเราจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจก็งดเว้นสำรวมระวังไม่ไปประพฤติกระทำเช่นนั้นประกา ร, ต, การต่อไปต้องการเป็นหัวหน้าในผู้พิสษุด้วยกันอันนี้ก็คือความมากมา ก, มากอยากใหญ่แต่ว่าถ้าเรามองพระเราเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะฮะคือคือ ไอ้อยากจะเป็นสมพานแย่งกันเป็นสมพานเนี่ยมีน้อยนะแ่วันร้างจึงมีเยอะเพราะว่าไม่ค่อชอบเป็นส่มพานกันแต่มันความมันตรงนี้คือการอยากใจอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้อนอยากเป็นผู้นาคือไม่รู้จักประมาณตัวเองแต่เห็นว่าตัวนั้นมันใหญ่ดีก็คืออยากเป็นผู้นา อย่างที่ท่านเล่าถึงสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้ไปแอบได้ยินพรามกสาธยายมลสามารถควบคุมสัตว์ให้เป็นบริวารได้ตัวเองก็แอบจำแล้วก็นำไปสาธยายควบคุมสัตว์ได้หมดเกิดกำเนิดเสดสางคิดมาต้องการจะยึดราชจจสมบัติในเมืองพาราณสีก็โดย มังคับช้างสองเชือกและราชสีนี่เดินยืนอยู่บนหลังช้างและตัวเองก็ยืนอยู่บนหลังราชสีอีกต่อห น, นึ่งก็ยกกองทัพสัตว์มาจะยึดเมืองพารานสีปุโรหิตทัานก็หลอกถามว่าเธอจะใช้วิธีอะไรโดยจะให้ราชสีเนี่ยบรลือสิงห์นาฏ คือคำรามแบบเสียงราชสีเนี่ยแล้วคนก็จะหูแตกอลจจะลุยอสัตว์เข้าไปฆ่าคนปรหิตก็ให้สัญญาณคนให้เอาจีพึ่งมาอุดหูไว้อสมีอุดหูไว้นะฮแล้วก็บอกให้คำรามบอกแกคำรามคือจริงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันตื่นสนกช้างเองเนะะ ซึ่งให้ราชสีห์เหยียบเนี่ยมันตื่นสนุกก็วิ่งหนีกระเจ๊กกะเจิงราชสีก็หล่นลงมาไอหมาก็หล่นหมาจิงจอกก็หล่นลงมาจากหลังของราชสีแล้วก็ถูกช้างเหยียบตายถูกสัตว์ทั้งหลายเหยียบตายเป็นการแสดงให้เห็นนว่าลักษณะของการไม่รู้จักประมาณทั้งคนโลกนมีปัญหาเยอะลักษณะที่ได้ไม่ดีดีไม่ได้เนี่ย แต่คนบางคนไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำในฐานะต่างๆแต่ผู้นำครอบครัวเป็นต้นไปแต่ก็ลิ้นรนก็จะเป็นก็ เ, เป็นแล้วทำงานได้ดีไม่ได้ก็เกิดปัญหาครอบครัวบ้างเกิดปัญหาวัดวาลามบ้างเกิดปัญหาองค์กรบ้างเกิดปัญหาที่กระทรวงขบวงกรมต่างๆบ้างอันนี Brittany ้ก็ค uh, ือเป็นความโลภหลงสำนวนท่านบอกว่าปรารถนารามก จ่คิดแต่จะได้นะฮะไม่คิดถึงผลเสียซึ่งจะเกิดขึ้นจากการได้ของตนเองแต่เราสังเกตเราบางทีเนี่ยผู้นำบางคนเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาสักตาแหน่งเนี่ยกว่าจะตายเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นการใหญ่เลยแต่ว่าโลกมันก็มีคนอย่างเนี้ยเราก็ศึกษาเขาเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเราเป็นอยู่เราก็ใช้หลักการข้อที่สองคือละถ้าเรายังไม่เป็น เราใช้หลักการข้อที่หนึ่งคือป้องกันไว้ไประกานต่อไปก็คือปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสในทบวงในกระทรวงทบวงกรมกองอะไรแต่หน่วยงานต่งตางๆเนี่ยต้องการจะเป็นใหญ่เป็นผู้นําคนทั้งหลายนะครัคือบางทีถ้าเขามีความฉลาดสามารถจริงๆก็ดีนะแต่คนฉลาดสามารถเนี่ยเขาไม่แสดงอาการอย่างนนั้ มันจะต้องสะท้อนในเหตในความมีคุณธรรมไม่ลักไม่มีลักษณะตะกรามไม่ละโมโบโลภลาภมากจนเกินไปท<อ>ีนี้ต่าง่าเป็นพระก็ต้องการจะเป็นใหญ่ในฐานะตำแหน่งต่างๆชั้นยศต่างๆก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะนั่นแสดงเป็นโลภหลงคือพระเราเนี่ยอาลมาอยังชอบใจอาจารย์อุปชาอาจารย์นะฮะอาจารย์ให้ศีลตอนบวช รือเวลาท่านมาอยู่กรุงเทพท่านก็บอกว่าเออก็ไปก็ดีอาจารย์นั้นสอนว่าไม่ถึงอย่าเอามือควา้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธอุปชาสอนไว้ไว้ว่าให้ประพฤติตนให้บอกกายบอจิตแล้วก็ยึดถือจะมาจนทุงวันนันนะ คือเราจะไม่ได้โดนขวนขวายสแสวงหายศชั้นตำแหน่งอะไรก็ไครแต่ถ้าเขามอบหมายมาเราทำสุดชีวิตของเราแล้วเขาไม่มอบหมายเราก็ทำในฐานะที่เราเป็นคระมันมีงานให้ทำเยอะไม่ต้องกลัวแล้วก็จนทุกวันเนี่ยเราก็มีงานทำเยอะไม่หมดเลยเฉพาะรายการวิทยุอย่างเดียวหนึ่งก็ว่าแค่เดือนหนึ่งแปดสิบครั้งรวมทังโทรทัศน์ก็ร้อยครั้งพอดี ถึงผู้ฟังจะสังเกตว่าบางครั้งเสียงนี่เอาไม่ค่อยอยู่เลยไปไม่ค่อยไหวแต่เราก็มีความภูมิใจที่ได้สนองงานศา ส, สนาก็พอแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องเป็นใหญ่อะ่ะเป็นอะไรก็ได้ให้เรามีโอกาสได้ทำงานก็พอแล้วแต่จริงมันมีโอกาสทุกๆุกจุด การต่อไปก็ต้องการให้สกุลอื่นๆบูชาตนหมายความว่าให้คนทั้งหลายในสกุลต่างๆเนี่ยให้การยกย่องสันเสริญบูชาเคารพนบนอมต่อตอนเองแล้วก็ต้องการให้อยากคือหัดได้วันไิชิตเนี่ยทั้งสองพวกไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ใครทำก็ไม่รู้แต่นึกว่าเขาทำจะเห็นว่าเป็นความละโมบ ตีหน้าละอายแล้วพร้อมจะได้ทุกอย่างทั้งลาบทั้งยศทั้งสรรเสริญโดยไม่คํานึงถึงวิติการในการได้ป็นขโมยผลงานของบุคคลอื่นก็ทำป็นขโมยความดีของบุคคลอื่นก็ทำเป็นคนที่ไมล่ละอายบาปอยู่เป็นพื้นฐานแล้วก็ที่สำคัญแ่งยิ่งก็คือต้องการ เป็นใหญ่เนือคนอื่นทั้งหมดคือให้คนทุกคนเนี่ยอยู่ภายในอำนาจของตนอย่างหมอบราบคาบแก้วไปไเลยนี่คือพิสูจผ่านมีความคุยความปรารถนาที่ไม่ดีปรารถนาที่เลวร้ายเนี่ยหกประการด้วยกันซึ่งก็เราเปลี่ยนเป็นพิกษุกค็คนก็คนก็เหมือนกันนะฮะมีคนเป็นอันมากที่ต้องการยกย่องในเรื่องซึ่งตนไม่มีความดีเหล่านั้นอยู่ ต้องการจะเป็นหัวหน้าในหมู่ในพวกในองค์กรต่างๆปราสนาความเป็นใหญ่ในได้ชั้นยศตำแหน่งสูงๆขึ้นไปและต้องการให้บุคคลกลุ่มบุคคลตั้งหลายเนี่ยยอมรับนับถือตัวเองแล้คนตั้งหลายเนี่ยไปมองเห็นกิจการงานที่ดีนะเอาพวกนี้โลภเอาเฉพาะที่ดีๆแต่ก็ไม่อยากทำแต่อยากได้ดี อยากเขายกย่องเพราะงั้นก็ผลงานใครก็ตามนะฮะมาให้คนอื่นก็เข้าใจว่าเป็นผลงานของตัวเองแล้วก็ต้องการให้คนทุกคนเนะี่ยยอมสยบกันนี้คือประเด็จการสุด ข, ขั้วนะฮะแต่ถามว่าอรื่งนี้มีหรือเปล่ามันก็มีนะฮะ ปะญหาสำคัญว่ามันเป็นความยินดีที่พร้อมจะเกิดยินร้ายหมายความว่าโลภจัดกับหลงจัดอยู่แต่เมื่อคนไปเห็นตามคือตอบสนองความต้องการเขาครอบผลหมดหกข้อเาก็กำลังเลือกเสพสารไปเรื่อยคือตะเกียบตะกายไขว่ขวัญไขว้ขวขวขวสูงไปเรื่อยต้องการดีต้องการเด่นต้องการดัง ในจุดตัวนั้นอนะ่ะมันมันเข้ากระแสตันหานะฮะเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะกา ร, ร ม, มาตัญหาป ว, หาว่าตัญหาแเรวพอถึงจุดหนึ่งถ้าไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการมันก็เกิดเป็นวิปวัตัญหาเป็นกระแสจิตที่เลื่อนไหลไปตามแรงดันของอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายตัวนี้ท่านสอนี่้มองเห็นโทษแต่ลองสังเกตอ่ตรงนี้สะท้อนตัวโทษเนี่ยตัวบาปอกุศลนี้จากพฤติกรรมของคน ไป ส, สื่อสารกันง่ายๆเพราะจริงๆตัวคนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สะท้อนธรรมอย่างดีที่สุดวันก่อนเขานิมนต์ไปบรรยาย อ, อุ่มอาจารย์เรื่องทําไมจึงสอนจึงต้องสอนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องหน้าพูดมากนะฮะที่มุกเด็กเลยลก็อธิบายให้เขาเห็นว่าที่จริงเนี่ยมันธรรมะมันคือชีวิตมันหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอริยสัจทั้งหมดอ่ะ เลราะถ้าเราไม่เรียนเราจะจะจะอยู่ได้ยังไงเป็นหลักการในการครองตนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขพัฒนามนุษย์สามมันเป็นมหาโจรให้เป็นพระรหันได้นะมันมีวิชาดเดียวแต่ น, นั้นเองในโลกเนี้ยเราไม่เรียนตรงนี้จะเรียนอะไรอาจจะเสียชาติเกิดก็ได้นะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ ตั้งใจศึกษาค้นคว้าประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปตามหลักการที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงสั่งสอนเอาไว้เพราะเรื่องัองเนี้ยเลยก็บอกท่านอาจารย์แล้วนั้ะว่าที่จริงธรรมะที่อาจารย์นั่งทุกคนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนธรรมะกิริยาการแต่ละคนที่แสดงออกมาเนี่ยคือสะท้อนธรรมะแต่ก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเขาแล้วนะคือถ้ายกตัวอย่างเขาเนี่ยต้องเข้าไปเด็กๆหน่อยคือต้าพูดกับเด็กหน่อ ย, อย นี่เขก็เป็นผู้ใหญ่ก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเราจะไปยกเขาก็น่าเกลียดแต่ที่จริงเนี่ยธรรมะมันก็อยู่ที่คนนการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเราจะลืมพระเจ้าทรงสแสดงไอ้กิเลสตราเนี้ยมันอยู่ที่คนทุกคนน่มากหรือน้อยกันนั่นแหละคนบางคนมันมีแต่ว่าควบคุมความรู้สึกคิดเอาไว้ได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมาคนบางคนมีมากเกินไปสแสดงอาการดิ้นรนขวนขวายวิ่งเต้น่ คเคยรู้จักพระบางองค์สมัยศักดิ์ยิ่งเต้นเอาทุกชันนีมันก็เราถอดผูนะเราดูแล้วโอ้มันก็ถอดผู๋นะแตสังคมเขาก็ชอบกันอย่างนี้เราดูอย่างวิธีราชการยวิธีราชการในวิ่งเต้นขอย้ายตัวเองขอได้ตาแหน่งตรงนั้นตรงนี้วิ่งเต้นซะเยอะเลยเป็นค่าของราชการนะฮค่าของพระเจ้าแผ่นดินนะข่าของประราชนนะราชการ แต่ก็ต้องการมากรบกวยถักตวงผลประโยชน์จากทรงนั้นเพราะลักษณะของคนพาลตรงเนี้ยเป็นเพียงแต่เพื่เรียกว่าภิกษุพาลพระปรมาลัท่านสุดธรรมแต่นั่นเองแต่ใครก็ตามที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นถ้ายังไม่มีก็ต้องพยายามป้องกันถ้ามีแล้วก็ต้องพยายามลดละถ้าไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นบุคคลพาลดังที่ทรงแสดงเอาไว้ทั้งฝั่งทั้งหลาย แต่งปรพทธิยานในวันนี้ขอโุติไววด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี